จะด้วยประสบการณ์หรือสติปัญญาหรือทัศนคติของเราไม่ได้รับการพัฒนาหรือรการดูแลมาก่อนมันก็ได้จมปรับอยู่ในความคิดเดิมๆ เ, เรื่องเดิมๆเราจะเห็นว่าเราไปนั่งฟังคนพูดเก้าคนสิบคนเราจะเห็นว่าแต่ละคนพูดไม่เหมือนกันบางคนพูดแต่เรื่องฝ่ายลก บางคนพูดเรื่องฝ่ายบวกบางคนพูดเรื่องทั้งลบทั้งบวกเพราะอะไรก็รทัศนคติของเขาเราฟังคือเราปฏิบัติในเรื่องเดียวกันอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันครูบาอาจารย์เดียวกันกลุ่มกิริยามิตรเดียวกันแต่เวลารายงานออกมาเนี่ยมันเป็นคนตัวอย่างบางคนหยิบเอาสิ่งที่ดีๆมาพูดสิ่งที่ฟังแล้วน่าชื่นใจฟังแล้วเป็นความจริงเห็นภาพบางคนพูดแล้ว สะท้อนถึงความจริงทั้งฝ่ายลบ ก, ก็มีฝ่ายบวกก็มีก็แยกให้เห็นชัดว่าฝ่ายลบเป็นอย่างนี้ฝ่ายบวกเป็นอย่างนี้บางคนพูดแล้วก็เอาแต่ฝ่ายลบด้านเดียวไอ้สิ่งไหนที่มันไม่ดีของคนอื่นสิ่งอื่นสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะเอาสิ่งนั้นมาพูดแต่สิ่งที่ดีๆเยอะแยะแต่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราจะให้ของกินของผลไม้หรืออาหารจากคนอื่นเนี่ย ในนั้นมันมีทั้งอาหารที่อร่อยไม่อร่อยอาหารได้อร่อยแล้วก็มีคุณภาพด้วยก็มีอาหารที่ไม่อร่อยมีคุณภาพก็มีไม่อร่อยแต่ไม่มีคุณภาพก็มีที่นี้เราจะเลือกกินอันไหนฉันใดก็ฉันั้นในในความจริงของชีวิตเหมือนกันมันมีทั้งด้านดีด้า น, านไม่ดีด้านลบด้านบวกแต่เราผู้ที่บริโภคผู้ที่ใช้สอยเนี่ยเราจะเลือก ถ้าเป็นวัตถุทั่วไปเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีแต่ทางด้านจิตใจสติปัญญาที่จะแสดงออกเรากับเลือกไม่เป็นอันนี้คือมันจะต้องอาศัยประสบการณ์สิ่งแวดล้อมการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานะแต่บางคนแล้วอย่างธรรมานี้พัฒนามาทํางานด้วยปฏิบัติด้วยทํางานด้วยปฏิบัติด้วยสติปัญญามันก็เพิ่มไปเรื่อยๆ อันไหนที่เราไม่รู้เราขอถามเรียนรู้จากผู้อื่นอันไหนเป็นข้อบกพร่องอ่อนดอยของเราเราไปเห็นข้อดีของคนอื่นว่าเออเขาทําอย่างนั้นได้อย่างไร้ เ, เราจะทําเป็นอย่างนั้นได้ไหมเขาไปถามเขาเราก็ยอมรับตัวเองตามความจริงว่าเออ<ๆ>เรามีสติปัญญาเท่านี้เรามีความรู้ความจําเท่านี้แต่คนอื่นเขามีสติปัญญาดีกว่าเราความรู้ความจําดีกว่าเราเขาทำอย่างไรเราก็ไปเรียนทางเรียนรู้ อันนี้คือการเส้นทางการสแสวงหาทางธรรมนะต้องทำอย่างนี้แต่เส้นทางสแสวงหาทางโลกนั้นมันก็มีอีกแบบหนึ่งซึ่งมีอัตตาตัวตนไปที่ตั้ง <c oughs> แต่ถ้าเส้นทางหาสแสวงทางธรรมนี่ถ้าเราอัตตาตัวตนไปที่ตั้งนี้มันมันไม่พัฒนาเพราะจิตมันไม่เปิดเพราะจิตมันไม่เปิดแล้วเราก็จากัดหลายๆอย่างที่เราจะเติบโตไม่ได้ทาง ทางธรรมตัวไม่ได้ทางสติปัญญาแล้วก็ยืนจมอยู่ในความคิดเกา่เกาๆความาทัศนคติเกา่เกาๆความเศร้าหมองความน้อยใจความเสียใจความวิตกกุ้งล้อนความคิดซึ่งเราไม่มีใครทําให้เราได้เลยเราทําเราเองแต่เราก็ไปโทษคนอื่นเพราะเรายังมองไม่เห็นเพื่อนเป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์เป็นอี้สานักเป็นอย่างนั้นสี่แวดลาน้อมเป็นอย่างนี้นเราก็จะไปโทษเอาสิ่งเหล่านั้น แต่ไม่ได้โทษว่าทัศนคติและมุมมองของตัวเองนั้นผิดพลาดเราไม่มองมาเห็นตรงนั้นเพราะนั่นคือการแสวงหาทางธรรมเราจะต้องมีมีมครูบาอาจารย์แล้วก็มีกะลณมิตรคอยบอกคอยเตือนคอยชี้แนะถ้าเรามีศรัทธาในกัลยะาณมิตรอย่างถูกต้องเราก็จะไปได้ไวแต่ถ้าเราไม่มีศรัทธาเต็มร้อยต่อกัลณมิตรอย่างถูกต้องมันก็วนเวียน มันมาชี้แล้วไม่ไปํำนองนั้นก็ไปไม่เป็นดังนันเองอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องถือเป็นเส้นทางในการเสาญหาทางธรรมไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนกับใครเหตุการณ์แบบไหนเนี่ยสามารถสร้างสิริปัญญาให้เราได้ทั้งนั้นนะถ้าเราเอาเป็นเราจะไม่เลือกว่าโอ้ไปที่นั่นไม่เห็นมีอะไรพัฒนาอยู่ที่นี่ไม่เห็นอะไรดีขึ้นมันจะไม่เป็นอย่างนั้นทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ทุกคน สามารถที่เป็นอุปกรณ์นี่เราเกิดสติปัญญาได้ได้ทั้งนั้นแต่ที่นี่เราจะคัดกรองกันกรองเอาเป็นหรือไม่นี่เราก็จะต้องใช้ความสามารถนะใช้ความขยันหมั่นเพียรใช้การศึกษาสังเกตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเส้นทางธรรมของธรรมาเคยปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นตลอดหลังจากที่ปฏิบัติเข้าใจได้ระดับหนึ่งแล้วไม่มากแต่อาศัย แบบอย่างการเรียนรู้ทางเพื่อนการนามิตรการอาศัยการชี้แนะจากครูบาอาจารย์อาศัยลดอัตราตัวตนรู้เรื่อยๆสำรวจตนเองเรื่อยๆมันก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆเราก็จึงไม่ไม่รู้สึกกลัวหรือวิตกกังวลในทุกสถานการณ์เราจะมองหาสิ่งที่จะทําให้เป็นบวกอยู่เสมอในสถานการณ์นี้ถึงแม้ดูมันจะลบหลายอย่างแต่เราคิดให้มันเป็นบวกได้อย่างไร อันนี้เราจะต้องพลิกให้ทันเหมือนเราไปจัดวิทยที่ที่ตรังนะเบื้องต้นเราจะมองอะไรหลายอย่างมันเป็นลบทั้งนั้นสถานที่กับเรศเตรียมพร้อมเต็มไปได้วยเหลือบจุงลิ้นลายเต็มไปได้วยความไม่สะดวกอะไรต่างต่างอาการที่สานที่อะไรเต็มไปได้วยความาลุงลังรั่วไหลแต่มันกลับทำให้เราเกิดโอกาสที่จะมันเป็นสิ่งท้าทายที่จะทํางานให้มันสามารถเปลี่ยนสภาพไงให้มมันใช้ได้ ในที่สุดเราก็ทากันสําเร็จอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นอันนี้เราเราต้องใส่ใจและรู้จักฟังใส่ใจในการฟังเรื่อว่าสุดัปจพยาพัญญาเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเราไม่เกิดสุดัจจพยาพัญญาหรือคือไม่ได้ปัญญาจากการฟังแล้วจินตามยาพัญญาก็ไม่เกิดเหมือนกันม่จินตามยาพัญญาไม่เกิดเวลาไปทํเขาทําผิดทำพลาดทาไม่ถูกภาวนาไมยากก็ไม่เกิด เมื่อบัญญาทั้งสามระดับไม่เกิดศรัทธาที่มีอยู่ก็ไม่มีรากไม่มีไม่มีความเข้มแข็งเพราะมันไม่มีความเติบโต น, ะนั้นเองก็จึงฝากเอาไว้ว่าเผ่าผู้ที่จะแสวงหาต่อไปต้องมีหลักการของตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าจำเหตุแล้วแต่มันจะเป็นนะทุกๆอย่างก้าวทุกๆเหตุการณ์ มันก็เต็มไปด้วย <c oughs> ทางที่ให้เกิดทางทําได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนมุมมองของเราว่าเราจะมองเหตุการณ์แบบไหนนะแต่ในแง่ของรูปธรรมเนี่ยเราทําทุกคนนะทําถูกหมดนะเช่นเวลาไปเก็บผักเราก็เลือกเอายอดอ่อนๆงามๆเราไปซื้อผ ล, ลไม้เราก็เลือกเอาผลสวยๆนะผลที่ไม่มี เราดิ้วอยเราไปซื้อขนมมาเรงต่างๆแล้วก็เลือกซื้อที่มันถูกใจเสื้อผ้าอะไรแล้วเลือกเป็นหมดนะแต่ในแง่ของนามธรรมาซึ่งเราไม่มีประสบการณ์เนี่ยเราเลือกถูกๆผิดๆแต่มันจะออกมาในแง่ของกุติกรรมคําพูด ท, ะทะ่าทัศนคติจะบ่งบอกว่าเราเลือกถูกเลือกผิดก็ชีด้ดูกันตรงนั้นนะแต่ข้างในเรามองกันไม่เห็นแต่ว่าตัวกายตัววาจาก็เป็นส่วนชี้บอกข้างในว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะ อันนั้นก็คือขอฝากตรงนี้ไปเป็นแนวที่จะสแสวงหาต่อไปว่าจะทําอย่างไรจึงจะก้าวหน้านะาะฉะนั้นคือผมจะมาเองไม่รู้สึกลําบากใจเลยจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนจะอยู่กับใครจะอยู่ที่อย่างไรจะกินอย่างไรมันไม่รู้สึกลําบากใจพอรู้สึกเรามองเป็นบวกไปหมดอาหารที่ไม่อร่อยเราจะ สร้างความอร่อยขึ้นมาในใจเราได้พบเพื่อนที่มีทัศนคติไม่ดีมีบุคลิกเป็นลบหมดเราสามารถที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นบวกได้นะในอยู่ในสถานการณ์ที่วุ่นวายสับสนเราสามารถมองให้เป็นบวกได้ซึ่งมันมันเลือกได้อใจเราเราไม่สามารถจะเลือกสิ่งแวดล้อมข้างนอกได้เลยนะถ้าไปพบในสิ่งแวดล้อมที่ดี มันก็สบายนิดถึงตรงทั่วเราไม่ต้องพยายามอะไรมากแต่ไปเจอสิ่งแวดล้อมไม่ดีเพื่อนไม่ดีสถานการณ์ไม่ดีมันก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยใช้ความพยายามสิ่งที่ดีๆมันไม่ได้มันสามารถจะได้มาด้วยวิธีง่ายๆไล้แต่มันจะต้องวิธีที่ยากแต่ว่าเราจะต้องพยายามบ่อยๆเข้าบ่อยเข้ า, เ, ขาเราชนะเราทําในสิ่งที่ยากบ่อยเข้ า, ข า, ขามันกลายเป็นเรื่องที่ง่าย แต่ถ้าเรากลัวในสิ่งที่ยากคนไหนที่ไม่ถูกชะตาเราไม่อยากเข้าใกล้คนไหนที่สถานที่ทุงไหนมันไม่เหมาะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราไม่อยากอยู่อาหารไหนที่เรากินแล้วไม่ถูกปากเราไม่อยากกินอะไรเหล่านี้ซึ่งซึ่งเราก็จะไม่เกิดความพยายามแต่ถ้าหากว่าเรามีทัศนคติเป็นบวกเราไปเจอสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เอื้ออย่างนี้มันเป็นเกิดการท้าทายขึ้นมาว่าเราสามารถปฏิบัติธรรมในสถานการณ์นี้ได้อย่างไร แล้วมันกเกิดการวางแผนเกิดความพยายามขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงต่อการแสวงหาคือความอยากตามประสบการณ์อตามาเองอยากเล่นอยากกินอยากเที่ยวอยากไปอยากหาสิ่งเพื่ล้อมดีๆหาอะไรได้ความพึงพอใจเป็นเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงตามประสบการณ์อตามาเองเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงที่จะลดความอยากสวนทางกับความอยากของเราใน ได้บางเรื่องบางกรณีที่มันไม่แรงเกินไปอย่างเอามาไปอยู่ลัสเวกันเนี่ยจุดสูงสุดของลัสเวกันคือซาดูเฟียเป็นหอดูได้ทั้งเมืองคนมากันทั่วอเมริกาเนี่ยเพื่อมาขึ้นหอนี้เพื่อดูภาพของลัสเวกันมาดูไฟของลัสเวกันเชื่อไหมว่าสิบกว่าปีที่มาไปอยู่นั้นมาไม่เคยเข้าไปยังไกลเข้าไปใกล้ไม่เคยขึ้นเลย ถ้าในต่างวัดต่างเมืองต่างมาพักที่วัดเพื่อที่มาขึ้นหอคอยอันนี้แต่มาไม่เคยว่าจะอยากจะไปเลยเพราะอะไรเพราะเราต้องการสวนทางกับความอยากของเราที่เราอยากไปที่ไหนใครมาชวนเราก็ดูใจของเราว่ามันอยากมากมันอยากมากไม่ไปเลยนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่สนุกในการสวนทางกับตัวเองมันเป็นการลบลากับตัวเองอย่างบางครั้ง รุนแรงนะแต่เรารู้สึกสนุกว่าเป็นการลบลาที่ที่เหมาะสมมาะแต่ถ้าไปลบลากับคนข้างนอกโดยเาะทางอเมริกานี่เราว่าหลายอย่างไม่นสนทางกับเราหมดนะแต่เราดูแล้วมันกลับเป็นสิ่งที่พัฒนาตัวเราเองเมืองว่าพูดคนการพูดจาอะไรต่างนี่ในระดับเราเมันไปอยู่กันดได้สักเท่าไหร่แต่ไปแล้วรู้สึกเออมันเป็นเส้นทางให้เราเกิดปัญญาคนทัศนคติแบบนี้มีอัตราตัวตนจัดแบบนี้เราจะอยู่กับเขาได้ยังไง ปรากฏมันมันกลับเปลี่ยนเป็นทำให้เราเกิดประสบการณ์ใหม่ขึ้นมามันก็เลยไม่กลัวอะไรจะเจอคนแบบไหนเหตุการณ์อย่างไรอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่รู้สึกกลัวเลยดีเพราะเราสามารถเข้าใจในสิ่งยากๆได้หลายๆอย่าง น, นั้นเองสติปัญญาทางโลกเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มพูนเก่งกันได้และมีประสบการณ์ทางโลกมาสูงแต่สติปัญญาทางธรรมเนี่ย บางคนมีสติปัญญาทางโลกดีมากเลยแต่สติปัญญาทางธรรมไม่มีเลยสติปัญญาทางธรรมคือพยายามมองอะไรที่เป็นกุศลมองยังไงทำให้เรามีความฉลาดขึ้นในการรู้จักตัวเองนะัคือสติปัญญาทางธรรมเพราะนั้นเราจะไม่รู้สึกขัดแยง้งปฏิฆาอะไรกับใครนะแต่ว่าถ้าเราต้องการให้คนคนนั้นรู้สึก เราต้องแสดงบทบาทเหมือนกันบางครั้งแสดงบทบาทที่แข็งข้าเอาจริเอาจังหน้าตาขึงขังมันจะกินแต่เราก็ต้องทําแสดงบทบาทอ น, นั้นด้วยเพราะคนมันหยาบเกินไปที่เราจะไปประนีประนอมหรือพูดด้วยดีๆเราก็ต้องใช้บทอย่างนั้นเหมือนพ่อแม่รู้ว่าลูกดือ้อก็ต้องลงไม้ลงมือถ้าปล่อยให้ไม่ลงไม้ลงมือขนาดนั้นลูกก็เสียคน ล, ลักษณะเดียวกันนั่นเองในการใช้ชีวิตทาง ทางธรรมที่มันถูกต้องเนี่ยมันเต็มไปด้วยความาสนุกสนานและเพลิดเพลินในการใช้สถิปัญญาเสริญหาในสิ่งที่ดีงามาต้นไม้ดอกไม้ที่มันจะงอกงามหอมหวนได้ก็อาศัยสิ่งที่มาบำรุงที่สุกะปกทั้งหลายที่เรียกว่าขยะและอุจาระของสตัตว์ต่างๆมาบำรุงฉันใดตัว สี่ปัญญาของเรางอกงามก็อาศัยเหตุการณ์ต่างๆที่มันไร้ายๆที่มันไม่สวยงามเลยแหละเข้ามาเป็นปุ๋ยถ้าเราจะต้องทําให้เป็นนั่นเองถ้าไม่มีปุ๋ยที่สกปรกเหล่านี้แล้วดอกไม้ต้นไม้มันจะสวยงามไปไม่ได้จิตใจของเราไม่มีเหตุการณ์ไร้ายๆเข้ามาหุม้มห่อร อ, ลอบล้อมแล้วนี่จิตใจเราสติปัญญาเราจะงอกงามไปไม่ได้อันนี้คือขอ้อแท้จริงที่เราเห็นอยู่ แตเราม่เคยลืมตัวเสมอเมื่อไปเจอเหตุการณ์นั้นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งสติไว้เสมอนั้นแล้ตั้งสติไว้ตลอดเวลาว่าจะต้องเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าบ้านเมืองของเราเกิดล่มสลายด้วยภัยพิบัติเนี่ยเราจะทําใจอย่างไรญาติพี่น้องเราตายทรัพย์สมบัติเราสูญหายร่างกายเราเป็น ในแล้อุบัติเหตุพวกนี้เราจะอยู่กับสถานการณ์นี้ได้อย่างไรต้องทำต้องเตรียมใจไว้ก่อนนะถึงมันจะไม่เกิดถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์เกินไปคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรต่อนี่มันจะตั้งสติได้เร็วกว่าคนอื่นแล้วคนอื่นเขากําลังวิตตนกตกตื่นเป็นบ้าเป็นหลังกันเรากับยิ้มแล้วก็เบิกบานได้ในท่ามกลางเหตุการณ์อันดร้ายนี่ ซึ่งนี่ต้องทำใจทุกวันแม้แต่ความแก่ความเจ็บความปลายของเราพวกมอนกันมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่เราจ ะ, ะเผชิญกับสิ่งนี้ได้อย่างมีความสุขได้อย่างไรเนี่ยต้องทำใจทุกวันเลยนะแล้วก็เราอยู่ที่ไหนกางแล้พยายามอย่าคืออย่าดูดายอะอะไรที่พอจะทำได้ทำที่มันจะเป็นประโยชน์ที่จะพัฒนาเศิปัญญาของตนเอง นะแต่สําหรับผู้ใหม่แล้วยังไม่มีทิศทางนี้แน่นอ น, นอนก็แน่นอนต้องอาศัยการกระตุ้นการปลูกเรา้าการสร้างสิ่งเร้าให้เกิดการอยากทําในสิ่งที่ดีอันนี้ก็ต้องใช้เวลาแต่สําหรับคนที่เคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้วเนี่ยไม่ต้องอาศัยสิ่งเรา้าสิ่งแวดล้อมมาปลุกเขย่าให้เราต้องอยากต้องอยากทําในสิ่งที่ดีเราจะต้องมีความดีที่เราเคยมองเห็นแล้วเราต้องนํามาใช้บ่อยๆเท่านั้นเอง มันก็จะพัฒนาขึ้นนะเพราะนั้นสำหรับในช่วงนี้ที่กรุงเทพในสิ่งที่เราจะกิจกรรมที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือจากช่วงนี้หลังจากเราทานอาหารแล้วก็ประมาณสักแปดโมงมันจะได้ออกจากที่นี่ไปที่หาจุดหายเหตุซึ่งมีรถทางโรงเรียนรับไป จะเอารถเราไปมันก็คองข้าวคองข้าวมันก็เต็ ม, มเอารถทางเยนไปเขาจะไปส่งแล้วก็ไปถึงที่นั่นเรามีเหตุการณ์สองอย่างด้านล่างคืองานนี้เป็นงานที่มากับหมอคอนทิปได้ระรับขออริยาตจอาจารย์ควิดว่าเราจะจัดงานนี้เพื่อเป็นการมุทิตาสการะ ท่านในฐานะท่านเป็นครูชี้แนะมาพบหลวงพ่อเทียนพ่อสายจายันกุย้ยจะเป็นผู้ชี้นํามาก่อนพบท่านเมื่อท่านได้ไประสบความระบาดทุกยากเกี่ยวกับร่างกายสังขารเงินทุนรอนในการดูแลรักษาก็ล่อยหล่อลงไปเงินไม่พอในการที่จะดูแลในฐานะท่านเป็นคุณเป็นสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติทางด้านสตีปัญญามานานพอสมควรเพราะในสังคมก็ควรที่จะต้องมีตอบสนองด้วยกัน สร้างกิจกรรมสักอย่างเพื่อให้ได้เงินทุนก้อนนี้เมื่อเพื่อดูแลร่างกายสังขารในการที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็เลยปรึกษากับหมอพรทิพย์แล้วเข้าไปคุยกับท่านท่านก็อนุ ญ, ญาตแล้วแล้วก็ตั้งกรรมาการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจัดกิจกรรมนี้เป็น2ลักษณะตามบุคลิกของท่านลักษณะแรกคือจัดชั้นล่างอันนี้เป็นการชักจูงสําหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยภาวนาเลยโดยการใช้รูปแบบของการใช้ าการพูดการชักชูงใช้ดนตรีธรรมะใช้นิสสีใช้เทพใช้แรงฐานที่จะจัดกิจกรรมข้างล่างตัวท่านอาจจะมาด้วยนะซึ่งเป็นผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินหูไม่ดีก็คงจะมาด้วยการออกหนังสือเปิดตัวหนังสือแล้วสายธรรมลูกศิษ ย, ย์เพื่อนกระยะนานมิตต่างๆก็คงมาร่วมกันในมิติของการ สร้างความบันเทิงในธรรมเพื่อชักจูงผู้ใหม่เข้ามาสู่ทางนี้อันนี้มิติหนึ่งที่ท่านทำมิติที่สองเมื่อคนเข้ามาภาวนาเป็นแล้วมีศรัทธาแล้วก็นำไปสู่การภาวนาโดยท่านเลือกใช้วิธีการของพระเทียนเราก็ขึ้นไปทาชั้นบนชั้นบนนรตมาก็เลยรับหน้าที่ตรงนั้นอยู่กับหมอพรทิพย์แล้วก็ขึ้นไปจัดข้างบน ทีนี่หมอพันธิทิพเราก็มีหนังสือมีอะไรไปจําหน่ายของเราชั้นบนที่นี้ชั้นล่างยังไม่มีโต๊ะจําหน่ายหนังสือของเราที่นี้เราเคบอกเจ้านี้ดี่เขาชั้นล่างเอาหนังสือของเราที่ติดมานี่เหลือหนังสือหลวงพ่อเทียนเหลือบ้างไหมเหลือใช่ไหมหนังสือหลวงพ่อเทียนบ้างหนังสือของเราที่เหลือหนังสือตื่นรู้เนี่ยก็ยังมีอยู่ที่เหลืออยู่ก็อบไปแต่หนังสือไอ้สติมาปัญญาเกิดเหลือบ้างไหม ก็เอาตัวนี้ไปว่างเราก็เพื่อที่จะเอาปัจจัยถั้งนี้เราก็ไปสร้างวัดของเราที่ยังค้า ง, งาอยู่การใช้ใจ่ายมากมายแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกบุญเลี้ยอะไรอะไรกับใครมากมายเราก็ใช้วิธีการได้มาตามศรัทธาแต่ในเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ต้องการเผยแพร่นี่แหละแต่ถ้ามันมีปัจจัยเงินทองเกิดขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้ใจ่ายเพื่อที่จะพิมพ์ในครั้งต่อไปนนี้ก็ตามหลักสากลเขาทํากันเพราะฉะนั้นก็ใน ด้านล่างเนี่ยที่คุณทงกรรมการเขาจัดโต๊ะเอาไว้เราก็อาจจะคุณอรพินคุณมุกยุ่งก็อ่านสิ่งไปวาง <c oughs> อยู่ตรงนั้นก็ไดนะ้ด้านข้างบนหมอก็มีทีมงานเขาจัดวางข้างบนสองด้าน <c oughs> สหรับในช่วงแรกเนี่ยประมาณแปดโมงครึ่งข้างบนก็ลิม่มทําวัดเช้าพอเก้าโมงมาก็จะกล่าวนำเปิดอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมง พอเก้ามงครงมาจะต้องลงมาเปิดงานข้างล่างงานข้างล่างเขาประมาณเก้ามงครึ่งมาก็เลยว่าเป็นประธานเปิดในี่ยเขากับนวรัตนพงภัยบุญก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็10ิบโมงาก็กลับขึ้นไปในช่วงครึ่งชั่วโมงนั้นมาจะให้จานทร์ภัยหรือท่านพระศรีลังกาหรือจันทร์พงษ์ท่านจะมาแล้วก็มาร่วมกันที่นั่นจานทร์ภัยซึ่งเป็นเจ้าวาดแทนธรรมาอยู่ที่วัดป่าปุรติยาท่านมาเมืองไทยเดือนหนึ่งก็เลยจะกลับวันนี้ ่วันพรุ่งนี้ดังกลางคืนแต่คุณจิ้งก็งกลับเพราะมาตรมาแล้วพอดีมาเลื่อนตัวเป็นวันที่สิบเอ็ดก็เลยไปมาสิบโมงอันนี้นจะกลับก่อนนี่คือเหตุการณ์ที่เราจะต้องไปร่วมกันวันนี้ก็ตั้งแต่เก้าโมงไปถึงแปดโมงครึ่งอ่ะไปถึงสี่โมงเย็นแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่แปดโมงเช้าเก้าเก้าโมงเช้าไปถึงประมาณบ่ายสองโมงหรือประมาณนั้น คือหลังจากที่มันพรุ่งนี้หลังจากที่เรารับทานอาหารช่วงแรกช่วงเช้าพวกเราจะต้องเดินทางไกลก็จจะกลับ อ, อาประมาณสักเที่ยงหรือบ่ายโมงเขาไปถึงบ้านเราก็ประมาณค่าส่วนคุณประดิษฐตก็พาคุณป อ, ป, อปฏิวัติอาจจะถ้าอาจารย์พงศ์มาก็ไปกับอาจารย์พงศ์ด้วยก็ได้ถ้าอาจารย์พงศ์ไม่มาเราก็พาไปไม่ได้มาด้วยที่แรกท่านก็จะมา ก็ให้คุณปฏิภาบปอไปทางนู้นตามที่เราตกลงกันไว้ว่าทําให้มันเรียบง่ายสบายและตั้งใจปฏิบัติอยู่ที่นั่นประมาณสัก2เดือนนะตอนกลับใกล้เข้าพรรษาก็จะมาที่วัดดอยแต่ดูก่อนว่าการพัฒนาการปฏิบัติก้าวหน้าไหมถ้าไม่ก้าวหน้าก็ยังให้อยู่ที่วัดธรรม่อถ้าก้าวหน้ารักษาตัวเองได้ก็ให้ไปอยู่ที่วัดดอยหรือแพรแสงเทียนปอมีเงื่อนไข้ตัวนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้น การที่เราจะลึกไปอย่างนี้มันไม่เหมือนจะลึกทางโลกจะลึกทางธรรมเนี่ยเพื่อแสวงหาทางให้เกิดศีล ส, สมถธิปัญญามากขึ้นเรื่อยๆจะลิกทางโลกก็เพื่อจะหาทรัพย์หาศีลหาค่าหาของหาสมบัติหาชื่อเสียงเกียรติยศมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะริกทางธรรมจะทำอย่างไรที่เราจะให้เกิดตัวจิตที่เต็มไปด้วยความรู้ตื่นเบิก บ, บานให้มากที่สุดเราก็พยายามทํา แล้วเราปรับสถานการณ์ข้างนอกไม่ได้ปรับสถานการณ์ขางในเสมอๆใหาจิตของเราตื่นรู้แล้วเบิกบานถ้าเราไม่สามารถทำให้จิตตื่นรู้เบิกบานได้เพราะด้วยอุปสรรคอะไรก็ตามเราก็มีเพื่อนมีกิจกรรมิตธให้เป็นที่พูดคุยศึกษาว่ขนาขณะนี้ฉันเป็นอย่างนี้จะทําอย่างไรก็สามารถจะทําได้ ถ้าถ้าหากเราจะแช่อยู่ในจิต ท, ที่มีวิตกกังวลเศร้าหมองไม่สบายใจหรือขัดเคืองถ้าเราแช่ไว้นานๆจิตของเราก็จะเสียสภาพจิตของเราก็จะ อ, อ่อนแอลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่า <c oughs> รู้สึกว่าความรู้สึก <c oughs> ที่เป็นอกุศูนเหล่านี้เริ่มเกิดขึ้นเราก็ต้องขอนขวายหาทางออกจากมันให้ได้ด้วยวิธีใดอันใดหนึ่งแต่ถ้าเราแช่อยู่กับจิตอกุศูนยนานๆมันก็จิตของเราแช่อยู่ในขี้โคลนขี้ตร ง, ตงแช่ในความร้รอนจิตของเราจะเสียสภาพ เป็นเหตุให้สตีปัญญาเราไม่งอกงามได้นะดังนั้นในสิ่งเหล่านี้มันมีนัยยะที่เราจะต้องศึกษากันไปใช้เวลากันไปนะเพื่อให้ใไหนเราก็เลือกทางนี่เป็นทางเดินแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้มันทางที่มันถูกไม่เสียเวลาในะการที่จะถูกมันจะผิดม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนสําคัญ เพราะฉะนั้นในจุดนี้ที่เรามาพักนี่ก็เป็นที่ทางรุ่งเรียนรุ่อรุณและสมสิงได้ในมนลตรามาและทีมงานพวกเรามาทําเมื่อปีที่แล้วปีก่อนนุ่มได้อาจารย์ผู้เป็นประธานสถานที่อาจารย์ปร ะ, ประพัฒน์ก็เห็นความสําคัญเรื่องนี้ว่าธรรมาต้องไปเปิดอบรมเก็บอารมณเข้มตรงนู้นตรงนี้ไม่สะดวกก็เลยมาสร้างศูนย์อบรมเพื่อเก็บอารมณ์อยู่ที่ทุ่งคุก ซึ่งถ้ามีโอกาสอาจจะแวะไปกันทางกินี่ประมาณ10บกิโลแต่ถ้าไม่มีเวลาโอกาสก็อาจจะไปโอกาสต่อไปนะก็จูได้ถ้าหากว่าห้องถ้าเป็นห้องสามารถพักได้ห้องได้สองคนก็รับได้ 70-80 คนแต่ให้เป็นห้องละคนก็รับได้ประมาณ40่สิบคนนะเป็นห้องฝ่ายผู้หญิงเช่นสามสที่ของผู้ชายแคสิบนึงเป็นสีสบ ในคลีนิกมีคนเกินก็สามารถที่จะอยู่ได้สองคนซึ่งก็พยายามจะให้อยู่ในคนเดียวเพื่อในวิธีการปฏิบัติที่ได้ก้าวหน้าก็เ ข, ข, ข้าจัดสถานที่ก็เหมาะสมอยู่ถึงแม้ว่าไม่กว้างแต่ว่าก็ได้แต่กําลังปรับดวงอยู่ว่าแปดสิเาิเนเลยบอกให้อจาจารย์พระพัฒนบอกว่าประมาณเดือนกรกฎาคมามเดือนสิงหาก็น่าจะเปิดตัวได้ ก็ประมาณถึงสี่หาแต่หาคอทไหนคนมันเกิน40แล้วเราก็จะเลื่อนคนที่จองที่หลังออกมาไปเป็นเดือนต่อไปนี้ก็เลยวางโครงการไว้ว่าวันที่1ถึงวันที่10จะดูแลช่วยดูแลทางแพทยแสงเทียนวันที่1 0 2ถึงย่จะเข้ากรุงเทพมาที่ตรงนี้ 20-30 ถึงก็จะเป็นการพักปฏิบัติดูแลนะปแลนะัปฏิบัติทางวัดดอยของเราก็ตั้งไว้ว่าเดือนนึงก็จะมีสามชุด ทีนี้มาจัดที่นี่เมื่ออาจจะเป็นหลักสูนย์วัน7วัน10วันแล้วแต่ใครจะอยู่ได้กี่วันจะเป็น3หลักสูนยนี่ก็ผู้ที่เข้าอบรมหลักๆก็คือจากโรงจากสถาบันสมศิลป์จากโรงเรียนรู่นละลุนนักครูนักเรียนและคนงานและกลุ่มที่2ก็กลุ่มที่สมาชิกมาเข้าอบรมพิธีการหลวงพเทียนที่ส่วนโมกซึ่งหมอพลทิพเองเวลาจัดดิฟทีดอาทิตย์ที่2ของแต่ละเดือนแล้วนี่ เน่ต้องพานักปฏิบัติไปปฏิบัติที่อื่นซึ่งนักปฏิบัติส่วนใหญ่ยุนเทพี่ยไปไม่ได้ห่างบ้านห่างเลนเขาก็ไปเป็นบางคนก็ได้จํานวนน้อยเพราะนั้นเมื่อเกิดศูนย์ตรงนี้ขึ้นแล้วก็เอาไปที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมาลงมาตรงนั้นก็จะมีคนกลุ่มสองกลุ่มหลักนี่แนะเข้าไปใช้สถานที่ตรงนั้นนะอันนี้ก็ได้แผนเอาไว้นล้วแต่ว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่เราก็ไปดูอีกทีหนึ่งนะสําหรับญายมในกรุงเทพที่ต้องการไปปฏิบัติในต่างจังหวัดเนี่ย เราก็ให้ไปตรงนี้แต่ ว, ว่าแบ่งเวลาแบ่งเดือนแบ่งนที่กันไปนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่แจ้งให้ทราบช่วงเช้าตลอดถึงข้อคิดแล้วก็สิ่งที่เราจะทำไปศึกษาและปฏิบัติในการสังหาในช่วงที่หลวงพ่อไม่อยู่นะเอ่อ บอกทางไม่ครัววันนี้หลวงพ่ออาจจะได้ออกที่นี่สักอย่างช้าก็แปดโมงอย่างไวก็อาจจะเจ็ดโมงครึ่งอะไรบางนี้ก็ไม่เป็นไรสีรูปก็สีรูปของพ่อฉันไม่มากอยู่แล้วเวอไอไม่เป็นไรก็ยมก็เท่านี้แหละยมแปดเจ็ดแปดคนนะก็ จากนี้ไปเราก็ทำเท่าไรส่วนตดวงใครมันใครพร้อมก่อนก็นกนมาเดึงจูงคุมปฏิบัติกพืเล่นอยู่แถวนี้จ้าจัดของแล้วหนังสื อ, อสติมากำซื้อตื่นรู้ถ้าขาดแต่สติมาใ น, นหมดละที่นี่นะเราไปวัดดอยหมดที่เหลือเท่าไร่ก็เท่านั้นแต่หนังสือตื่นรูยังมีเยอะอยู่แล้วก็อาจจะมีหนังสือหลวงพ่อเขาเขียนที่ทางลู่ลุนเขามาเขียนด้วยรายมือถา้าหมาถามคุยจูงเวลาที่มีเราก็จะเอาตรงนั้นไปบวกด้วย ตลอดนินสิตสนุนข้างล่างก็ดูอีกทีเดียวจะทำผู้จุ่มให้คอนมูทนากราบพรบพุทธเจับ